ดวงจิตเหล่านี้แท้ที่จรมาจากไหนคนวันนี้ควรกินนะาหาบุไมกับกวันส์ฉามาโดยแพ่แาการเกิดของดวงจิตของพวกเรามาจากที่ไหนแท้ที่จรดวงจิตของพวกเรา มีโลกอีกโลกหนึ่งที่นั่นมีสภาวะดินน้าลมไฟ w h n o n e ทานที um ่ดวงศิษ กายเป็นตายชิตเพิ่มเหมือนการกับมนุษย์เรา อย่างโลกนั้นด้วยความเป็นทิดและไปเข้าไปโดนใจโดนจิตของโดวงจิตอีกหลายหลายเรื่องที่กำลังนั่ง ภาวะของโลกตัวนี้มากข่อนมากขึ้นทุกวั น, นวจนเริ่มมีความสับสนวุ่นวายรอบเริ่มแรกก็คือแต่ละดูงติดที่มาก็จะมาด้วยฐานะที่ไม่มีพ่อแม่จนไม่มีสิ่งที่ต้องเอลร ืองสบาณีจะเป็นแบบนี้คงจะไม่น่าอยู่อีกต่อไปในขนนณะที่มีคนหนุ่มมากและมีอิตาเลสมีความเป็นที่เท่าเทียบัน No people. มีกฎของสวรรค์ที่บงังคับหากดุมจิตใดทำผิดกฎเช่นออกความวุ่นวายกับผู้อื่นเหียดเรียนต่นอผู้อื่นโอหังม่เชื่อฟังทำผิดกฎก็จะถูกทำโทษและก็ยังมีการเกิดที่ไม่ใช่เกิดมาจาก ดวงจิตเกิดมาในละมิตอยู่อยๆก็เกิดมาได้เหมือนตะกอนจึงต้องมีพ่อแม่เป็นผู้ให้ จากนั้นเมดดื่อดูจิตใจที่ทำผิดขอ้อหรือมีการสร้างบาคืนจึงโดนทำโทษให้ลงไปอยู่อีกโลกหนึ่งคือโลกของบาดานหรือโลกของเหล่าพายนาในปัจจุบันนี้จึงเป็นโลกที่มีการเซนซิปสู่ จากสนน้อยลงไปกว่าโลกของสวันค์ก็ัน นมาอีแล้วทีนี้ที่บาดาลก็จึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎกติกาขึ้นมาอีกาาาาหากใครสร้างความหดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือหากใคร ดวงติดทุกดวงมาอยู san san ่เพื่อใช้เวลาสั้นๆในนึงสิบในการสร้างความดีเพื่อทำกับไปสู่สิ่งที่ดุจกว่าเช่นสวานหรือบาดาลซึ่งเป็น โลกแห่งความหุดพนยังแท้จริงและผูวดุนจิตใดก็าำถ้ายังปนเปนื่อนอยู่ ที่เข้าไปอ่ที่นั่นได้ก็ รูปกฎของการไปในที่แดนนั้นก็ทํา